พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยชงอดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าเจ้าคุณพาทัศนาจรเป็นไงคณะทายาติโยม จากโคราชไกลเหลือเกินที่พวกเราได้มาออกจากบ้านเวลาเท่าไรท่านเจ้าคุณโอ้หออกมาออกมาตั้งแต่หกทุ่มเป็นไงขึ้นไปออกมาเดินทางไกลแต่บางคนก็คงจะตุบตุต่อมตอมโอ้มาไกลขนาดนี้ผิดที่ผิดทางใช่แล้วท่านเจ้าคุณพามาคราวนี้ แต่พอขึ้นไปเห็นพระภูกวก็คงจะหายเหนื่อยใช่ไหม <laughs> อ<ะ>พอขึ้นไปเห็นพระภูกอนโอ้ถ้าไม่ได้มาจะเสียใจเลยวะเจ้าาตี <laughs> <laughs> รือวัดป่าภูก้อนสร้างวัดทีหลังของหลวงพ่อนะหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก่อนนะตั้งตั้งแต่ปีสองสาม ลุงพ่อมาสร้างวัดปี 2-3 มาอยู่ที่นี่และก็ลุงพ่อมาจำพรรษาจริงปี 2-5 แต่นีพ่อมาอยู่ปี 2-5 คุณปิยวันเจ้าของภูกร์เจ้าของคุณปิยวันวีระวันเขาก็มีพระนำม า, ม า, ม, ามาทางกรุงเทพมาม า, มาหาลุงพ่ออยู่หลายปี 2-3-4 สสปีจนถึงปี 2,27 พ้หรือ28นะเขาก็ถามเขาก็บอกว่า เเขาอยากจะจ ะ, จะได้ที่ดีวัดจะสร้างวัดอีกที่หนึ่งมีคนถวายบางั้นที่เท่าไรล่ละประมาณป ร, ประมาณแปดสิบไร่หรนะือกือบสิไร่เนี่ยหลวงพ่อเขาบอกว่าเนี่ยโูก้อนเนี่ยถ้ามีทุนนะเอออขึ้นไปอยู่ได้ไปได้แต่หลังจากนั้นหลวงพ่อเลยพานําขึ้นไปไปซีจุดซีจุดที่แรกเลยนะไปโปรซื้อจุดที่แรก ที่ภูก้อนจากนั้นก็โจมปิยวันก็เลยดําเนินเรื่องแต่ที่แรกก็ที่ภูก้อนเขาเป็นแปลงเป็นแปลง อ, อะไรไม้สมทานอะไรอออปอออ ป, อ, อ, อ, ป อ, องค์การอุ ต, อตสาหกรรมป่าไม้แล้วเขาจะตัดอยู่แล้วแต่นี้คุณปิยวันก็เลยเข้าไปก็เลยไ ป, ไ, ป ไ, ปไปห้ามเอาไว้ไม่ให้ตัดก็เลยไปสร้างวัดป่าภูก้อนขึ้นมา นะี่แหละจากท่านก็ท่านก็เป็นคนกว้างขวางในกรุงเทพก่สร้างเจดีเสร็จแล้วก็หม่อนสร้างพระแต่สร้างพระองค์นี้ก็ไม่ใช่นั้นเหมือนกันนะลงทุนเยอะๆเหมือนกันแต่เป็นหินของประเทศอิตาลีหินหินขาวนะหินขาวประเทศอิตาลีเห็นบอกไวเคลล่าประเทศ เ, เมืองเคลล่าประเทศอิตาลีนะ แต่ก่อนที่จะมาสร้างเป็นพระให้พวกเราได้เห็นนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเอาก้อนหินก้อนใหญ่มาขนาดเท่าไว้ตู้รถส่งเทนเลอร์เนีเอรถเทนเลอร์ขนาดนั้นแหละแต่ละก้อนละก้อนทั้งหมดเกือบเกือบพ่าสิบก้อนมัน้งอยู่ในนั้นนะพอมาแล้วก็เกิดเสือนออกเสือนออกแต่นั้นเขาออมาทำเป็นองค์พระหลายก้อนนะไม่ใช่คนเดียวนะ ทําเป็นก้อนต่อต่อตต่อต่กันไปแต่เขาเชื่อมกันโอ้เข้าทำดีแต่ช่างผู้ทําเนี่ยเป็นคนชาวจังหวัดเชียงรายแต่คนที่ทํำจริงๆลูกงานเขาจริงๆคือพอมา่าเป็นพม่าเต๋อทั้งหมดตัวนั้นเต๋อที่หลวงพ่อขึ้นไปดูนะเออแต่ว่าสือว่าก็ทําเขาทำหลวงพ่อมองไม่เห็นเหมือนแต่ว่าก่อนที่จะเอาขึ้นไปนะหินแต่ละก้อนขึ้นไปเนยะแต่บางก้อ น, ขนนะขึ้นไปในรถ ยี่สิบปลอเนี่ยหงายหลังเลยนะต้องได้เอาแม็โครนี่กดหน้าไว้เหมือนกันเถอะลากขึ้นถอยหลังขึ้นแล้วก็แม็คโคก็ผผักตามหลังขึ้นไปอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเถอะขนาดนั่นแหละ ท, ที่เขาจะขึ้นไปไปสร้างได้นะแต่พวกเราไปเห็นแล้วก็ด้วยความอุตสาหะวิริยะจริงๆถ้าไม่ใช่เขาแล้วก็คงจะทำไม่ได้ต้องพ่อวานะ แต่พระองค์นี้ก็เฉพาะค่าแกะที่กต ก, ตกลงกันที่แรกว่าเท่าไรว่า19บ้าล้านมั้งเฉพาะค่าแกะอย่างเดียวนะแกะพระนะจากนั้นก็ทั้งอาคงอาคารเข้าไปด้วยหลงพ่อคงจะหลายร้อยล้านเหมือนกันนะแต่เห็นแล้วก็อเป็นสมบัติที่ล้ำค่าไปเห็นแล้วเขาทำด้วยจิตใจจริงๆ ทั้งฝาประตรง n ฝาประตูเห็นไหมลนะ่ะปลาเนตละเอียดหาดูได้ยากนะในเดียนนี้เขาก็ทำเขาก็ทำไปเรื่อยๆบางก็ยังไม่จบคนขึ้นในปีนี้ละ่ะเขาคงโปรโมทเปิดว่ราะงั้นให้คนขึ้นไปไปชมอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แปลว่าตั้งแต่หมู่บ้านเลยละ่ะรถติดนะ รถติดตั้งแต่หมู่บานรถมาจากที่ไหนตัวที่ไหนเยอะแยะไปหมดเลยนะที่มาดูพอมาเห็นแล้วก็โอ้สวยงามแต่ลุงพ่อเห็นแล้วก็ลุงพ่อเพราะว่าสวยแต่พระของลุงพ่อเหมือนกันเนะ้บางคทนกอ็อาจจะเข้าใจว่าพระคงเป็นพระทองแล้วก็ทาสีนะแต่ตามจริงไม่ใช่นะเป็นพระหินเหมือนกันนะ แล้วว่าหินนินสเปนหินนินแปลว่าหินดําของประเทศสเปนหินนี้มาจากท่าเรือเหมือนกันะมาจากประเทศสเปียร์เป็นเป็นก้อนจากนั้นก็ไปแกะที่อํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะแต่กลุ่มเดียวกันญาติพี่น้องของช่างนาลิต ท, ที่แกะหินปูก้อนนั่อ่ะเขาเป็นกลุ่มแกะหินแล้วเหนกันเถอะพี่น้องของเขาตระกูลนี่แล้เขาแกะหิน ทั้งสามองค์นี่คือพระพุท ธ, ธปฏิมากับพระอัครสาวกทั้งสององค์เนี่ยทั้งหินด้วยทั้งแกะด้วยส่งถึงที่เป็นเงินส8 5ล้านปสห้าหินก่อนนี้นะทั้งสามองค์เนี่ยสา้านสล้านแห้าหมืนแต่หลวงพ่อคิดว่าถ้าจะว่าแพงหรือก็แพงแต่จะว่าคุ้มค่าแล้กวก็คุ้มค่า เพราะไม่ใช่แกะกล้วใช่มลนะ่ะแกะหินแกะหินไม่ใช่ของแกะได้ง่ายๆถ้าทำได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าแกะไป แ, แกะมาหูหักซะทีก็เสียทั้งองค์เหมือนกันใช่ไอถ้าแกะไปแกะมานิ้วหักซะก็เสียไปทั้งองค์เหมือนกันนี่ก่อนเขาจะแกะได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดา แต่เห็นไ ห, หลังหลังพระอัครสาวกเนี่ยเป็นเป็นสายแร่เนี่ยขาวๆนี่นะอถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นสายสายแร่เป็นสายหินเป็นหินสายแร่ขาวๆเดีลยวท่านอาจารย์ท่านจุคุณท่านพามาอแต่พอสืบสอบดูเนี่ยท่านจุคุณเนี่ยเป็น เพื่อนกันลูกน้องของหลวงพ่ออีกองคหนึ่งอมหาภัยบูนปท .9. พอที้สวนเป็นราสีขาอยู่กับท่านเจ้าขุนนะ่ยหลวงพ่ อ, อเป็นเพื่อนกันเว้เรียนมันจบมาจากวั ด, ว, ดวัดมกุฎเนาะเออ ว, วัดมกุฎเป็นปท .9. หลวงพ่อกับไม้มั่นปั้นมือเหมือนกันในองค์นั้นน่ะคิดว่าจะให้อยู่ในพอจบปท .9 จะให้เป็นกรรมฐานเหมือนกันเถะ ที่ไหนได้โ อ, อ, อ้รู้สึกว่าอพอลโลมันบินต่ําเกินไปโลกดึงดูดยานยานอาวกาศอพอลโลบินต่ําเพกินไปโ อ, อ้โลกมันดึงดูดเลยตกต่ําเลยเ อ, อน่าเสียดายมหาภับุญแต่นี่ใสดีนะตั้งแต่หลวงพ่อตั้งแต่เขาเป็นเด็กพ่อเขาก็าเข้ามาวัดคนกับหน่วย ห, หมู่บ้านพ่อเป็นคนวัด จากนั้นพอออกโรงเรียนหลวงพ่อก็เส่งไปไปบวชบวชแล้วก็ส่งไปวังน้อยงไปหลงไ ป, ไ ป, ไปฟัดโพก่อนอจากนั้นก็เห็น เ, เห็นว่าเขาตั้งใจดีหลวงพ่อก็เลยขอทางท่านเจ้าคุณวัดมะกุูนะตามไม่จริงท่านจะไม่ให้ใครง่ายๆนะ เ, เพราะว่าสมเด็จวันมะกุูท่านก็เคยมาที่นี่ท่านเ เ, เคยมาที่นี่มาพักที่นี่หลายครั้งกับท่านผู้หญิงโมลีคอมันธนัดถนัดคอมันนะนะเป็นเป็นคุณหญิงของท่านถนัดคอมันว่างั้นแหละท่านก็มาพักอยู่ที่วัดหลวงพ่อพอในจากนั้นหลวงพ่อก็เลยขอฝากลูกหลานไว้สักคนสองคนเลยเท่าท่านพระเดชพระคุณท่านก็ปากไม่ออ ก, กว่างั้นท่านก็เลยรับตามว่าจริงท่านจะไม่เอา ได้ท่านขอรับพอรับก็ได้ไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดมกุฏนะกรูดได้จบปท .9 จบปท .9 หลวงพ่อเออดีแล้ววะได้มหาปท .9 คงจะเป็นทายาทที่เหมือนกับหลวงปู่มหาเขียนหลวงปู่มหาเขียนวัดบ้านโพนรุ่นสมเด็จพระสังฆราชนะหลว ง, งตามหาบัวแล้วก็เจ้าคุณมหาเขียนสามองค์เลยแต่เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ประจุองค์ที่ ช, ชิ่นะชลไปเนี่ยนองค์นี้ก็ ป, ปทเก้ามหาเขียนกับปทเก้าแต่ลงตามหาบวนปทสามแต่เป็นเพื่อนกันนะอายุเท่ากันออแต่ลงตานี่สิบสองสิงหาออแต่เจ้าพระคุณสมเด็จนนะตุลาแต่มหาเขียนเท่าไหร่วะเลียงกันใกล้ๆ ก, ก, กันนะเอางั้นะนะเออเมือนตุลาเหมือนกันยังไงนะออแต่สั่งสามองค์ แต่มหาเคียนเนี่ยท่านอพอเรียนจบปท9แล้วท่านอยากจะเป็นพิพากษาทีนี่ไม่ไม่อยากเป็นไม่ยังเป็ น, ไ ม, ปนไม่อยากจะเป็นอะไรทหารนะอนุสาตไม่อยากเป็นอนุสาสนาจารย์ไม่อยากเป็นอยากจะเป็นพิพากษาก็เลยจะเรียนกฎหมายจะศึกละว่งางันเดี๋ทศ่เ้าแต่ที่ท่านสมเด็จวัดสมเด็จวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ย ที่เป็นอาจารย์นะปู่พิมพ์สมเด็จที่วัดพระศีนะท่านก็บอกเออมาหาเขียนในหน่ยนวยกา้านดีถ้าศึกไปก็น่าเสียดายวะ่ปะป่ขึ้นไปตรวจราชการทางอีสานเหมือนกันนะให้ใคล้าว่าหลอกมาไปไปสรวจทางอีอสานก่อนก่อนจะศึกก็ไปตรวจราชการทางอีสานะก่อนอยังกลับมายังค่อยว่ากัน พอไปถึงวัดหลวงปู่มั่นพอไปถึงวัดหลวงปู่มั่นแล้วก็ท่านเจ้าคุณพิมเอ้ยมหาเอ้ลองลองอยู่ปฏิบัติภาวนาอยู่ที่วัดกับหลวงปู่มั่นจะก่อนยังค่อยลงไปก็ได้นะเดี๋ยวผมไปก่อนผมจะไปตรวจรัศจไปตรวจหัวเมืองแถบแถบนี้จะก่อนอท่านเจ้าคุณก็เลยผู้นําไปท่านก็ไปก่อนท่านเจ้าคุณมหาเขียนก็อยู่ที่นั่ น, ทนเทอยู่กับหลวงปู่มั่นนะ อ, อมหาปโทก้าวอยู่เอยู่ปนิบัติกับหลวงปู่มั่นนะพออยู่ไปวันหนึ่งไปเจอคุณแม่ชีแก้วเนี่ยนะคุณแม่ชีแก้วเสียงแล้วในในประวัติของท่านนะคุณแม่ชีแก้วไปกราบคารวะหลวงปู่มั่นพอไปกราบแล้วก็นี่เขาก็วอนแม่ชีแก้วเนี่ยนะ เ, เป็นคนที่รู้อดีตอนาคตนะเอท <laughs> ่านท่านจุคุณมหาเขียนเนี่ยก็เลยพยายามร่อมร่มอ ม, อมองไปก็ ไ, ไปหา เอ า, าคุณแม่อัตมานี่จะได้ศึกไหมในว่าเพราะคนอยากจะศึกใช่ไหมละ่พะพอไปเห็นใครก็ว่าใครทําลายเก่งก็จะต้องถามคุณนั้นแลว้วกันเถอะเพราะเขารู้เนี่ยเอว่าคุณแม่นรู้จักอดีตอนาคตเนี่ยออัตม า, าจะได้ศึกไหมคุณแม่ก็บอกว่าออืชาตินี้ไม่ได้ศึกนะท่านมาหานณะ์ลนเพราะว่า ข้าวก่อนพออายุสิบปปีบวชเป็นเอนสบปดปีศึกชาติแล้วพอมาชาติาต่อมาอีกก็ได้บวชอีกก็ศึกอกีกแต่ว่าชาตินี้ไม่ได้ศึกหนักดังว่าแม่คุณแม่ชีแกว่าชาตินี้ไม่ได้ศึกอ้าวถ้าอาตมาอยากจะศึกะอใครจะไปห้ามได้คุณแม่ว่าไม่น่าจะได้ศึก ถึงจะจะสึกก็ไม่ได้สึกเพราะว่าบุญบารมีได้ได้ทำมาทางนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาท่านก็อยู่อยู่ไปกับมันคล้ายๆกับวิดๆวิวางวางบอกวางวิวิดวิิวางวางเอาไปมาก็เลยไม่ได้สึกจริงๆไม่ได้สึกจนอายุ90กว่าปีท่านจึงได้ละสังขารนะเจ้าคุณมหาเขียนบ้านโพนจังหวัดกาลสินปอท .9 ้านะนี่แหละท่านออกมาปฏิบัติ อันนี้ก็คือสายครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านประพฤติปฏิบัตินะวันนี้ก็นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลคณะรัตย า, าติโยมจากนครราชสีมาวัดสัทธารวมเป็นวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเจ้าคุณหนุ่มที่เป็นที่เป็นผู้นำ ทัศนศึกษาในวทัศนศึกษามาศึกษาตามวัดต่างๆ่ า, าวันนี้ก็ได้พาคณะัทธาญาติโยมมาดูวัดในถิ่นป่าดงพงไพรเขตอำเภอนายุงจังหวัดอุดรตะกอนก็เป็นอำเภอที่กันดานที่สุดของอุดรเป็นอำเภอมาก็สมัยหลวงพ่อมาอยู่นั่นก็เป็น เป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอน้มโสมเป็นตำบลตำบล น, นายูอมอำเภอน้มโสมสมัยเมื่อเมื่อหลวงพ่อมาอยู่พอหลวงพ่อมาอยู่ได้ประมาณสักไม่ถึง10ปีมั้งมาอยู่ที่นี่แล้วก็ท่านผู้ว่าสายสิทธิ์พรแก้วท่านก็มาบวชบวชที่วัดมาบวชที่วัดป่าถ้ำกองเพลนวัดบวชบวชที่วัดถ้ำกองเพลน พอบวชเสร็จแล้วท่านก็มาปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยที่วัดป่านาคําน้อยพันมาอยู่ที่นี่7วันพอจากนั้นท่านก็ลาสิกขาไปท่านอโอ้จากน้ำโสมมานายูงนี่ไกลแล้วเกินน่าจะเป็นอําเภอได้ทีได้อีกสักอําเภอหนึ่งท่านก็เลยสั่งให้นายวิชนุกแก้วลายทําไมนั้นเป็นนายอําเภออําเภอน้ําโสมจากนั้นนายให้ตรวจดูซิว่าเป็นไปได้ไหม ในที่นี้แบ่งอําเภอนามโสมเป็นอําเภอเอีกอําเภอหนึ่งเพราะมันไกลกันละเกินจากอําเภอน้ําโสมมานี่ในอําเภอวิชโนแก้วลายท่านก็เลยดูก็เลยได้อำได้สี่ตำบลสี่ตําบลก็เลยตั้งเป็นอําเภอนายุงขึ้นมาในแยกจากนามโสมห่างจากอําเภอน้ํามโสมมาเป็นโซ น, นี้แต่เป็นอําเภอเล็กๆอำเภอที่ ถ้าจะว่าไปแล้วก็กันดารแห่กันดารเพราะว่าไม่มีที่ทํากินไม่มีที่นาเหมือนกับที่เหมือนกับทางข้างนอกแต่เดี๋ยวนี้เป็นอําเภอเศรษฐกิจนะการัดทายาตโยมอําเภอนายูงเป็นอําเภอเศรษฐกิจถ้าว่ายางมีราคาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็ชาวบ้านก็คงจะลืมตาอ้าปากได้แต่ช่วงหลังๆรู้สึกว่าดีแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ายางพาราราคาตกเหลือเกิน ราคาเพียง20กว่าบาทเดี๋ยวนี้เขากาลังพัฒนาเป็นแทนที่ปลูกกาฟแฟขึ้นมาอีกกําลังจะเสริมขึ้นมาอีกในเขตอําเภอนายุงแต่เป็นดินดีนะเป็นดินป่าดงดิบไม่ใช่ดินป่าแพะป่าโคกนะเป็นป่าดงดินดีปลูกอะไรก็คิดว่าใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอําเภอเศรษฐกิจในเขตอุรานอำเภอหนึ่งนี่แหละคณะทธาญาติโยมมาเห็น ในถิ่นนี้เขาทํากิจกรรมอะไรแต่พวกเรานั่งนั่งรถก็คงจะเห็นอําเภอในอําเภอของเราจะเห็นแต่คงจะเห็นป่ายางพาราเต็มไปหมดอันนี้ก็คือเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนของคนในท้องถิ่นการทํามาหาเลี้ยงชีพนะแต่ว่าเรื่องศีลธรรมเรื่องศีลธรรมจริยธรรมของในท้องถิ่นนี้ก็รู้สึกว่าเป็นคนลักษณะ คนเป็นคนออนิสัยอ่อนน้อมนะเพราะว่าเป็นคนดั้งเดิมเป็นคนป่าตรงพงไพรยังไม่ได้คนทินอื่นไม่ได้เข้ามามาก เ, ออเพราะว่ายังเป็นยังเป็นคนท้องถิ่นอยูออ่ถ้าจะวาลักษณะซื่อแล้วก็ลักษณะนั้นแหละออลักษณะซื่อซื่อตรงตรงออแต่ก็ึกขโมยโพยโจรที่ผ่า น, านมาก็ไม่มีรู้สึกว่าบ้านเมืองของเขาก็ได้รับความสงบ ร่มเย็นเป็นสุขพอสมควรก็ไม่มีอะไรที่ทำให้บ้านเมืองรอ ด, ดร้อนวุ่นวายนะแต่เรื่องศีลธรรมหลวงพ่อเองก็พยายามแนะนำสั่งสอนพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมแต่วันพระแต่และวันพระเนี่ยก็รู้สึกว่าคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องกับมากพอสมควรที่พวกเราเห็นอยู่ขณะนี้ศาลาหลังนี้หนะลวงพ่อก็เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้ว เพราะว่าศาลาข้างในเนี่ยเป็นศาลาคิดว่าใหญ่พอสมควรช่วงก่อนแต่พอมาช่วงหลังนี่รู้สึกว่าคนเออมันเต็มไปหมดหลวงพ่อก็ได้มาได้มาสร้างศาลาหยุดจุดนี้แหละแต่ศาลาจุดนี้ก็เนื้อที่ทั้งหมดเป็นของวัดเหมือนกันนะเป็นเนื้อที่ของวัดทั้งหมดสบไร่นะตรงนีนะ้ที่ตรงนี้นะแต่ที่วัดข้างในนะั่น ทั้งหมด 1,350 รไรนะ่ทั้งวัดข้างในมีกำแพงล้อมรอบแต่พวกเรานั่งรถก็คงจะเห็นกำแพงร อ, อ, อบกำแพงนั้นยาวทั้งหมด6กร้อยเสิบเมตร 6,700 เเมตรเกือบ7กิโลความยาวของกำแพงก็ กำแพงทั้งหมดไม่ใช่หลวงพ่อบุญบา ร, รมีของหลวงพ่อองค์หลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวที่ที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ท่านก็มาเยี่ยมเยียนบางเดือนกับเดือนละสองครั้งก็มีเดือนละครั้งก็มีบางทีก็ห่างห่างเดือนสองเดือนมาก็มีแต่เขามาท่านก็มาบ่อยแต่ท่านก็มาถามว่าเอะทำอินหลวงท่านเรียกหลวงพ่อแล้วเรียกว่าทําอินนะ ทําอินเราเห็นพื้นที่กว้างขนาดนี้ถ้าหากว่าต่อไปภายภาคหน้าจะรักษาอย่างไงถ้าจะรักษาถ้าจะทำกำถ้าจะทํากําแพงนะถ้าจะทํากําแพงก็ทําได้นะ เ, เราจะให้เราจะให้ทนแต่ว่าจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยเราไม่ให้นะสร้างโบสถ์อะไรเราไม่ให้สร้างโบสถ์สร้างไปแล้วก็ไปอยู่ในป่าดงผงไผ่ พอสร้างสิ่งขึ้นมาแล้วก็ไปขังพระพุทรูปใหญ่ไว้เท่านั้นเองเออมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่จ่ายเงินทั้งหลายล้านนะแต่ถ้าหากว่าสร้างกำแพงเนะ่ยอยรักษาป่าดงพงไผ่เพราะต่อไปภยายภาคหน้าถ้าว่าสมพานมีบุญวาสนาก็รักษาพื้นที่ได้ถ้าว่าสมพานต่อไปภยายภาคหน้าไม่มีวาสนาหรือว่าคนไม่ให้ความเคารพ คนก็จะมายิงสัตว์ก่อนต่อมาก็มาตัดไม้พระในวัดก็บลำคาญแล้วก็นหนีแล้วท่านะพอหนีแล้วเขาก็ขยับลุกพื้นที่โดยมากจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเรามีกำแพงซะก็คงจะเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็สุดแท้แต่พ่อแม่คุยจั์จะเมตตากับผมท่านก็เลยให้ทุนมาสร้างกำแพงทั้งหมดสมัยนั้นแต่สมัย37 36 37 38สนะสร้างกำแพงหมดไป20ปกว่าล้านนะคานาะสถา ญ, ญาติโยมกำแพงตัวนี้นะหลวงตาให้ทุนไม่ใช่ธรรมดาจากนั้นท่านาก็ขุดสระน้ำมาอีกทำเขื่อนให้อีกหลายหลายอย่างนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตามาเกี่ยวข้องชื่อวัดก็เหมือนกันเมื่อเขาเมื่อเขาขออนุญาตสร้างวัดหนะลวงพ่อก็ เขาเขาบอกว่าทางกรมการศาสนาเขาบอกว่าท่านจะตั้งชื่อวัดนี้ชื่อว่ายังไงหลวงพ่อควรจะเข้าไปกราบหลวงตา เ, เลยเข้าไปกราบองค์ท่านท่านาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อให้รอสักสองสามวันนะจากนั้นท่านก็หลวงพ่อก็รอแต่ท่านท่านก็เข้าไปกราบท่านท่านก็บอกว่าออเออวัดอุดมมงคลวนารามวัดป่าอุดมมงคลวนาราม ตั้งชื่อนะท่านตั้งชื่อให้นี่แหละล้มพ่อก็เลยเได้ชื่อเมื่อวัดของท่านแต่พอต่อมามาขออนุญาตจริงๆทางกรมการาศาสนาเขาไม่ให้เขาบอกว่ า, าควรจะเป็นชื่อหมู่บ้านาถ้ามีหมู่บ้านมชื่ออะไรก็ควรจะเป็นชื่อหมู่บ้านนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อว่าวัดป่าบ้านนาคำน้อยอก็เลยมีชื่ออย่างนี้ขึ้นมาแต่ลมพ่อก็ถือว่า ที่องค์องหลวงตาให้ชื่อวัดมาก่อนคือว่าเป็นมงคลมหามงคลท่านให้วัดป่าอุดมมงคลหลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อว่าใส่ขึ้นป้ายว่าวัดป่าอุดมมงคลวนาลาม อ, องเล็บวัดป่านาคำน้อยออพระพุทธโรกก็เหมือนกันเนี่ยพอพระพุทธโลปองค์ข้างในเป็นพระทองเหลืองหล่อขึ้นมาหน้าตัก เ, เม 50, เ็ด50าสิบหลวงพ่อก็ตั้งชื่อว่าพระพุทธอุดมมงคล แต่พอองอ ง, องนั้นเนี่ยองนี้ก่อนที่จะให้เขาแกะสลักองนี้หลวงพ่อก็ให้เขาถ่ายรูปองที่อยู่ข้างในนั่นลรูปลักษณะอย่างนี้องอยู่ข้างในถ่ายรูปองนี้ก็ให้เขาแกะแกะพระพุทธรูปให้เหมือนองค์อยู่ข้างในให้เหมือนกับรูปเนี่ยเขาก็แกะขึ้นมากันได้องค์เหมือนกันหลวงพ่อก็เลยให้เขาตั้งชื่อว่าพระพุทธอุดมมงคลสอง เพราะองนั้นเป็นองคหนึ่งองค์นี้เป็นองค์ที่สอง น, ะนี่อันนีแหละคือความเป็นมาของอของวัดนะของวัดอของหลวงพ่อได้เรียนให้กับนรรักศึกษาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายได้ทราบนะนี่แหละความ เ, าเป็นมาและความผูกพันกับองค์หลวงตามหาบัวนะผลสุดท้ายนะองหลวงตาก่อนที่ท่านจะจดตินิรภานนะก่อนที่ท่านจะ มรณภาพมาลงไปท่านยังให้พินัยกรรมเขียนพินัยกรรมเอาไว้นะคือฝ่ายพระสงฆ์นะี่คือท่านให้สี่รูป1พระอาจารย์ฟักวัดเขาน้อย3ามผานี่เป็นลูกศิษย์องค์หลวงตาองค์ที่สองก็คือหลวงพ่อองค์ที่สก็คือท่านพระฝรั่งปัญญาวุฒโธแต่แต่หลวงปู่ฟักท่านมรณภาพไปกอนกอนหลวงตาในปีเดียวกันกับหลวงตา แล้วท่านปัญญานะ่ยมรณภาพไปก่อนแต่ท่านก็ไม่ตัง้งไม่ตั้งองค์อื่นขึ้นมาทีนี่กัจจนากนนกององที่สองก็คือหลวงพ่อองค์ที่สี่นั่คือท่านพระอาจารย์วันชัยผู้สังโคเน่ท่านก็ป่วยท่านก็ไม่ได้เข้าไปท่านก็เขียนพินัยกรรมว่าเมื่อเราตายเมื่อเรามรณภาพลงไปให้จัดงานศพของเราดังนี้ เงินที่บริจาคพี่น้องประชาชนบริจาคมากน้อยห้ามนำเงินมาใช้ในงานศพของเราให้นำเงินของเราไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดพินัยกรรมของหลวงตาพวกเราถ้าใครได้อ่านแล้วก็หลวงตาห่วงประเทศชาติบ้านเมืองแต่หลวงพ่อเอาอยัางไงพ่อหลวงตาบรณภาพหลวงพ่อก่อน อ่านพินัยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อกัประชุมประชุมพวกน้องๆทั้งหลายพวกพระทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อว่าละพวกเราจะทํำยังไงถ้าเงินทุกบาททุกสตังค์ที่จะมาในงานศพของหลวงตาของพ่อแม่ครูจารย์เราแล้วเน่ยเราไม่ได้ใช้นะถ้าเราใช้ก็ผิดประเภทเราควรจะทํำยังไงพระสงฆ์ทั้งหลายก็เงียบหลวงพ่อก็เอาผมเสนอ พวกเราพี่น้องกันทุกองค์มากน้อยไม่ว่ากันลงขันลงขันกันเพื่อจัดงานศพขององค์หลวงตาอา้าวผมเองหกแสนบาทองค์นี้กับสองแสบาทองค์นี้กับสามแสนบาทก็มีคนถวายในคืนนั้นนะ่ะคืนที่นั่นนะถวายองค์ละลนะ้านหน่งมีอยู่สามองค์ก็เป็นอว่าเงินในคืนนั้นนะ ประชุมกันไม่ถึงชัมม่วโมงได้เงินหล้านกว่าพวกเงินหกล้านก็เลยวันพุธนี้ก็เปิดบัญชีเลยพอเปิดบัญชีเสร็จแล้วก็เอาเงินโอนเข้าไปนี่แหละมันจะจึงจะได้ใช้จะเนี่ยค่าก๊กน้าําบั่งสังกสีบั่งค่าโรงทานบาั่งค่าน้าําบั่งค่าอาหารบาั่งค่าถนนห น, นทางค่าเมธทั้งหมดประจกได้ใช้เงินแต่วันถึอยังไงเราก็ไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศยาประกาศนะถ้าประกาศคนทําบุญ ทำบุญซื้อทองคําเข้ากังหลวงมากแล้วละ่ะเขาก็คงอยากจะทําบุญในงานศพของหลวงตาในเมื่อธนุดมันจะตรัสรักมาทางนี้อีก เ, เ, เราควรจะ เ, เราควรไม่ควรจะประกาศเอาประกาศแต่พี่น้องของเราแต่ขนาดขนาดประกาศแต่พี่น้องของเราเท่านั้นนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะได้เงินทั้ง 40, 40กว่าล้านนะเออไม่ใช่ธรรมดาและก็เงินหย่อนตู้เข้าไปเนี่ยเพื่อซื้อทองคําเข้ากลางหลวงเนี่ย ได้เงินเจ0ดร้อยกว่าล้านไม่ใช่ธรรมดาบา ร, รมีของหลวงตาเนี่เหลือเฟือบุญบา ร, รมีของหลวงตาเหลือเกินอันนี้เฉพาะเงินนะทองคำอีกต่างหากได้นคนหย่อนตูนะทองคำก็ได้ทองคาเนี่ยทั้งหมดมัน12บสสบตัน12บตันกับร้อยกว่ากิโลเมื่อหลวงตาจากไปนะยังขาดยังขาดตันที่13บอยู่เออเจดแดร้อย เกตเป็900กิโลนะแต่นี่นแหละเอาเงินทองเงินที่ว่าเนี่ยนะทองคําที่ว่าเงินที่ว่าผสมประสานกันไปจึงได้13ตันนะอทองคําที่เอาเข้าคลังหลวงได้13ตันแล้วก็เงินดอลลาร์อีก10ล้านกว่าดอลลาร์นะาที่มอบให้เข้ า, ขาคลังหลวงนะทีนี้ก็มอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีหนี้สินนะทุกอย่างเรียบร้อยนะ แต่ยังเหลือแต่จะสร้างพระเจดีย์่นี้พ่อสร้างพระเจดีย์ตรงหนึ่งคนหนึ่งเอาตรงหนึ่งคนหนึ่งเอาตรงหนึ่งไม่ลงกันพอลูกศิษย์หลายคนใช่ไหมนี่แหละลูกเพราะลูกหลายพ่อหลายแม่หลา ย, ล, ายลูกศิษย์ลูกหาหลายคู่หลายคนเป็นอย่างงั้นแหละแต่หลวงพ่อไม่เกี่ยวข้องนะหลวงพ่อไม่แต่นั่งคอยฟังไม่เข้าเป็นเจ้ากี้เจ้าการในเรื่องเจดีย์มีแต่บอกว่าเออเอาพี่น้องอย่าทะเลาะกัน ถ้าหากว่าพร้อมเพียงสำมะเอีลงเอาลงจุดไหนหลวงพ่อจะสนับสนุนจุดนั้นไม่ใช่หลวงพ่อไปขัดขวางเอาพวกท่านท่านไรหาที่ลงก็แล้วกันแต่หลวงพ่อเนี่ยรับอจะหาทุนให้สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อรับห้าสิบล้านบาทในกลุ่มของหลวงพ่อหลวงพ่อรับขนาดนั้นนะเพื่อสร้างเจดีย์ของหลวงหลวงตาเนี่ยนั่นแหละ ป้ายอยู่ที่ป้ายอยู่ทังหลังเนะ่เมื่อวันที่12เมื่อวันที่3วันที่สสิงหาเนี่ยทังพระ อ, องค์เจ้าสิริภาจุทาพรลูกสาวของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงมาดูที่วัดป่าบ้านตาดพอมาดูแล้วกักบคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาดูแล้วก็ตกลงนะจะเอาข้างนอกเียเอาข้างนอกตามมติสง แต่ที่วางทีลานเลิกหนึ่งคือวางไว้ที่ที่พระราชทานเพิงสันติละสังขารของหลวงตาแต่ท่นี้ไม่ตกลงกันก็เลยขยับออกไปข้างนอกอขยับไปข้างนอกพระองค์ท่านก็เลยมาเสด็จมาดูกับคณะอาจารย์มาวันที่สวันที่สี่ทางผู้วาราชการจังหวัดนำโฉนดที่ดินของวัดป่าบ้านตาลและแผนที่ เข้าไปพบกับเจ้าอาวาสคือพระอาจารย์สุดใจธันตมโ น, โนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดเสร็จแล้วก็ไปพูดคุยกันตกลงเอาตรงนั้นวันที่5ท่านก็เอานำรถเคนที่สูงตั้ง30เมตรทำเป็นกระเช้าขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ไปถ่ายโลกว่าเจดีเนี่ยติดาเจดีอยู่ อยู่ที่เก่าที่เมนจะสูง38เมตรแต่ถ้าออกมาสร้างข้างนอกเป็นที่ดิน180ไร่เนี่ยจะสร้างจะดีเพียง38เมตรเล็กเกินไปต่ำเกินไปควรจะทำให้สูงกว่านั้นอย่างน้อย50เมตรนี่แหละอันนี้จากนั้นเมื่อท่านดูพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่ห้าวันที่6ท่านก็ได้มาแวะ ก่อนที่ท่านเสด็จกลับท่านก็นมาแวะที่วัดกวางหลวงพ่อกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนกรมาแวะที่นี่ท่านหลวงท่านก็ถามหลวงพ่อก็ถามทุกอย่างคิดว่าปีนี้นะปีปี58าแปน่ยนะคิดว่าน่าจะได้ลงมือสร้างเกดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็เลยเอบอกว่ากระถินของเรานะปีนี้นะเนอะถึงจะได้มากน้อย พวกเราจะประเดิมประเดิมเก็บเป็นปีแรกทั้งหมดกระถินของเราทั้งหมดปีนี้ควรจะคงจะร่วมสมทบสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาคนะณะจัทาญญาตาราโยมลูกศิษย์ทุกหาหลวงพ่อเนอะอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้บอกกล่าวให้กลุ่มกลุ่มกับหลวงพ่อนะแต่ทุกคนไม่ต้องหนักใจนะหลวงพ่อบอกแล้วทุกคนไม่ต้องหนักใจที่หลวงพ่อพูดไปนะั่น ทําใจเบาใจได้หลวงพ่อเชื่อในบารมีขององค์หลวงตาเออบารมีของหลวงตานี่ท่วมท้นไม่ต้องห่วงแต่ว่าการสร้างพระเจดีย์นี่จะใช้เวลาอยู่3ปีหนะสา3ปีจึงจะเสร็จเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแรกพวกเราก็รวบรวมกันคนละนิดคนละหน่อยไปเรื่อยๆถ้าหากว่างวดที่เนิงใช้เงินเท่าไหร่ เราก็สมทบเข้าไปงวดที่สองที่สามที่สี่เราก็สมทบไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าเงินมันเหลือเงินของบ้านตาดมันเหลือเอเราอาจจะมาสร้างที่วัดป่านาคําน้อยของเราอีกเพราะวัดนี้ก็เป็นวัดของหลวงตาเหมือนกันเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เงินจะตกปัจจัยเงินเจดีขององค์หลวงตาในท่านเขาประกาศเมื่อกี้นี้บอกว่าเงินทั้งหมด ที่ได้รับบริจาคต่างกลัมต่างวาระตั้งแต่ประกาศว่าจะสร้างเกดีและก็มีคนสมทบเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ได้เงิน380กว่าล้านนะและ้วก็มีคนถวายฟ้าหญิงอีกวันที่ท่านวางศิลาเลิกนึง100ล้านนะแล้วก็มีคนถวายทุนกระหม่อมฟ้าหญิงแต่จำนวนนั้นยั ง, ยงไม่ทราบจานวนจำนวำนว นั้นขึ้นมาอยู่ในบัญชีของท่านเนี่แหละสรุปแล้วก็คือมันเดี่ยวนี้ก็ป่าป่าเข้าไปเกือบห้าร้อยล้านแล้วนะหลวงพ่อจะเอาแจกเอ็มพีสามนะหลวงพ่อจะแจกเอ็มพีสามกับหนังสือเนี่ยหนังสือเอ็มพีสามของหลวงพ่อนะเนี่นะหนังสือเล่มนี้นะแจกหนังสือเล่มนี้ด้วยหนังสือทำเล่มนี้ธรรมเทศนาสุดต่อต่อต่อเเออต่อต่อต่อ หลวงพ่อเองอยากจะให้มันทันสมัยเพราะว่ามีคมชออขชชกกตอบตหลวงพ่ออะไรอยากจะให้มันทันสมัยเหมือนเขาหลวงพ่อเลยตั้งเที่อว่าต่ตตตตเปิดเข้ามาข้างในสิเปิดเข้ามาข้างในต่อต่ตแปลว่าเตรียมตัวตาย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 ถ้าไม่คิดเอาไว้เนี่ยถ้าโกรธให้ใครจะโกรธมากถ้ารักใครก็จะรักมากเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอยู่ไว้อยู่เสมอเน่ยเป็นภาษาใจของเราเนี่ยถึงจะรักก็ไม่รักมากถึงจะโกรธให้ใครก็ไม่โกรธมากบอกอีกสักวันหนึ่งมันจะตายนี้จะ ก, กันอยู่แล้วไม่รู้จะโกรธไปเพื่ออะไรใช่ไหมละ่ะนี่แหละอันนี้ก็อันช่วงหลังๆนะประมวลข้อคิดหลังจากอ่าน ธรรมะชุดต่อๆให้กับว่าหนังสือเล่มนี้นะ่ะได้อ่านดูแล้วว่ามีเนื้อหาสาระอะไรในหนังสือเล่มนี้อันนี้เขาเขาประมวลให้มาประมวลให้ให้พวกเราได้อ่านนะแล้วก็อยู่ข้างในเทนี้อันนี้อยู่ข้างในอ่ะเรื่องแนะพระฝรั่งเผชิญสามปัญหาชีวิตอย่างมีสติปัญญาอันนี้คือพระฝรั่งเป็นชาวเยอรมัน ที่ท่านมาที่นี่มาท่านก็ถามว่าท่านอาจารย์ครับผมขอถามปัญหาท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์เมตตาตอบปัญหาผมด้วยด้วยด้วยครับเราโอ้ยท่านไปถามที่อื่นจุดพอแรงแล้วจะมาถามเล่นๆมาถามลองเชิงกันเล่นๆไม่เอาไม่ตอบไม่ใช่ครับผมไปถามที่อื่นผมก็ถามแล้วแต่ท่านก็ตอบแล้วล่ะ แต่ผมอยากจะถามท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์จะตอบผมว่ายังไงที่ผมจะถามเหมือนกันเออคงจะไม่ตอบเหมือนกันวะเออเอาถามได้ท่านก็เลยพระฝรั่งก็เลยถามว่าผมไปหาหมอผมไปตรวจไปตรวจเลือดออไปหาหมอแล้วตรวจเลือดหมอเขาบอกว่าผมเป็นไวรัสซีเป็นไวรัสซีต่อไปตับผมจะแข็งต่อไปผมจะเป็นมะเร็งตับ มะเร็งตับเดี๋ยวนี้ไม่มียายาไทยยาจีนยาฝรัง่งไม่มีที่จะห้ามเด็ดขาดว่าที่มะเร็งตับในเมื่อผมเป็นมะเร็งตับอาการก็จะมันก็จะลบกทวีขึ้นเรื่อยเื่อยเืยืเยเพอในสุดผมก็จะต้องแน่แ น, นท้องผมจะต้องปวดพอในสุดก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลในเมื่อไปนอนโรงพยาบาลโดยมากโรงพยาบาลจะไม่มีพยาบาลชายจะมีพยาบาลหญิงจะมาก ในเมื่อผมไปนอนโรงพยาบาลพยาบาลผมก็อาการหนักขึ้นหนักขึ้นผมช่วยตนเองไม่ได้ผลที่สุดพยาบาลหญิงก็ต้องมาเปื้อนผ้าแก้ผ้าให้ผมในเมื่อมาเปื้อนผ้าแก้ผ้าให้ผมผมก็รู้แก่ใจว่าในพระวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ไม่มีบทใดไม่มีวินัยข้อใดว่าอนุญาตให้ผู้หญิงแต่ต้องพระภิกษุถึงจะอาการป่วยหนักขนาดไหนก็ตามไม่ไม่อนุญาต ให้แตะพระให้จับต้องพระได้ใช่ไหมท่านเจ้าคุณเออเนี่แหละหลวงพ่อพูดให้ท่านเจ้คุณว่าท่านเป็นมหาปทอเก้าเนี่ใช่ไหมเออไม่มีสิกขาบทไหนไว่าอนุญาตให้ผู้หญิงออจับต้องผู้ชายพระได้เออแปบลบว่าผิดผิดพระวินัยแต่เนี่ยในเมื่อผมป่วยหนักเข้าหนักเข้านี่ผมไป น, นอนโรงพยาบาลผมช่วยตนเองไม่ได้จะทํำยังไงพยาบาลหญิงต้องมาเปือเป้อเงผ้าแก้ผ้า เช็ดร่างกายให้ผมแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็รู้อยู่ว่ามันผิดผมขอถามท่านอาจารย์ชื่อว่าในเมื่อถึงคราวเช่นนั้นเราจะตายในในโรงพยาบาลหรือออกมาตายข้างนอกดีตามความเห็นของท่านอาจารย์ <c oughs> ท่านถามนะถามความเห็นนะเพราะนั้นถ้าใครอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อตอบยังไงให้อ่านเล่มนี้เถเนี่ถา้ถาถ้าถ้า ถ้าไม่อ่านะเล อ, อไม่รู้คำตอบแล้วลุงพ่อตอบตอบว่ายัางไงใช่ไหมแล้วข้อที่สองอีเข้าถามอีกว่าขณะที่ใจจะขาดนใจจะหลุดออกจากร่างนะในช่วงนั้นนะจะทจําใจยังไง จ, จะพรานจะภาวนาอะไรจะบริกรรมกรรมฐานอะไรจะนึกยึดติดอะไรและจะปล่อยวางยังไงแล้วจะทจําใจยังไงให้ถูกต้องที่สุด ตามความเห็นของท่านอาจารย์เขาบวานะอาจารยเขาก็ถามนะหลวงพ่อก็ตอบยุทธะนีเหมือนกันแต่ถ้าว่าใครไม่อ่านไม่รู้หรอกหลวงพ่อตอบเขาว่าไงนังจากนั้นให้อ่านดูนะคนนี้นะเอารับพอดในตะนี้นะรับพอนะค่อยเอารับหนังสือ